3. นิพพานอานวยผลที่ยิ่งกว่าลำพังความสาเร็จทางจิตจะให้ได้การบรรลุนิพพานแม้จะอาศัยความสาเร็จทางจิตคือเจโตวิมุตติคือฌานสมาบัติเป็นพื้นฐานบ้างไม่มากก็น้อยและผู้บรรลุนิพพานก็มีความเกี่ยวข้องกับความสาเร็จทางจิตนั้นอยู่เรื่อยๆในการดำเนินชีวิต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 ผลสำเร็จทางจิตเท่าใดก็ตามที่ตนเคยได้ไว้แล้วผู้บรรลุนิพพานสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดเช่นใช้เป็นที่ให้ใจยอยู่พักผ่อนอย่างมีความสุขยามว่างดังที่เรียกว่าทิฏ ธ, ธรรมสุขวิหารเป็นการนําเอาฌานสมาบัตมารับใช้การดำเนินชีวิตประจำวันเป็นต้นทำให้ผลสาเร็จทางจิตที่เคยได้ไว้แล้วซึ่งตามปกติ ยังอาจเสื่อมถอยได้กลายเป็นภาวะไม่เสื่อมถอยเพิ่มความสามารถและขยายวิสัยแห่งการเสวยผลสำเร็จทางจิตให้กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้นถ้าเดิมเคยได้ถึงสมาบัติ8เมื่อบรรลุอนาคามิผลหรืออรหัตผลแล้วก็สามารถก้าวต่อไปถึงสัญญาเวทยายตนิโรธ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 ระขุดหรือถอนทิ้งด้วยปัญญาและสิ่งที่ดับไปในการประจักษ์แจ้งนิพานนั้นก็เป็นการดับเฉพาะสิ่งที่ชั่วร้ายได้แก่ตัววุ่นและเหตุให้วุ่นต่างๆเช่นดับโลภะโทสะโมหะดับตัณหาดับภพบดับทุกข์ดับอวิชชามิได้ดับอะไรที่เป็นสิ่งดีงามเลยยิ่งกว่านั้นเมื่อดับสิ่งชั่วร้ายแล้ว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 มีระบบพฤติกรรมมั่นคงทั้งนี้เพราะมีความเปลี่ยนแปลงในทางจิตใจที่สำคัญสองด้านคือความรู้ความเข้าใจความคิดเห็นและความเชื่อถืออันเป็นเรื่องของด้านอาวิชชากับปัญญาอย่างหนึ่งและความรู้สึกเกี่ยวกับคุณค่าหรือการสนองความต้องการอันเป็นเรื่องของด้านตันหากับชันทะอีกอย่างหนึ่งทั้งสองด้านนี้สัมพันธ์กัน อาจแยกพูดได้คนละระดับเมื่อเด็กชายกอถูกเรียกตัวมาพบครูขอถ้าเขาเข้าใจว่าครูขอกาลังหาความผิดและคิดลงโทษเขาเด็กชายกออาจกลัวตัวสัน่นแต่ถ้ารู้ว่าครูขอใจดีเรียกมาแนะนำด้วยเมตตาเขาอาจมีอาการสงบและอบอุ่นใจ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 ภาวะหลุดพ้นและเกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเช่นนี้ยากจะพรรณน า, นาท่านจึงมักบรรยายด้วยคำอุปมาเช่นว่าเหมือนฟื้นไข้หายป่วยส่างเมาเย็นลงได้หายร้อนขับสิ่งหมักหมมออกหมดแล้วหลุดจากบ่วงพ้นจากเครื่องผูกมัดขึ้นฝั่งได้ข้ามถึงฝั่งที่ปลอดภัยน้ำใสสงบเป็นต้น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 แล้วก็จากโลกไปบางครั้งมนุษย์อาถูกความจำเป็นทางวัตถุหรือความดิ้นรนในการดำรงชีวิตบีบคั้นให้ลืมหรืองดมองหาความหมายเช่นนั้นไปชั่วคราวแต่พอมีโอกาสบ้างมนุษย์ยังน้อยบางกลุ่มบางพวกก็จะต้องหันมาสแสวงหาและในเมื่ อ, อยังข้ามมีพ้นความสงสัยมนุษย์ก็จะต้องหันมาพะวงเรื่องนี้กันเรื่อยไป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 การสนองความต้องการของมนุษย์เพียงแค่ขั้นทิฏฐะธรรมิกัตถะอย่างเดียวหาพอไม่จำจะต้องให้มีสัมปรายิกัตถะและปรมัตถะด้วยเมื่อพูดในแง่นี้ทั้งนิพพานก็ดีความสำเร็จทางจิตยอย่างอื่นๆก็ดีคือส่วนเติมเต็มที่ช่วยแก้ปัญหานั้นอย่างไรก็ดี ระหว่างความสาเร็จทางจิตกับนิพพานความสาเร็จทางจิตยังจัดอยู่ในระดับสัมปรายกัตถะคือประโยชน์หรือจุดหมายที่ล้ำลึกเลยหน้าออกไปจากทิฏฐทธรรมิกัตถะเป็นระดับถัดออกไปหรือขั้นรองยังจะต้องก้าวต่อไปอีกสู่ขั้นสุดท้ายคือนิพพานซึ่งเป็นปรมัตถะหรือจุดหมายสูงสุดอันเป็นความสมบูรณ์ที่แท้จริง